เริ่มเลยหรือเปล่าเมื่อสักครู่นึกว่าอยู่อาคารนน้นไปอาคารนน้นถ้ามาที่นี่ก่อนก็จะพอเห็นหลักฐานคือรองเท้ามาชัแน่ไปที่นูนไม่มีรองเท้าเลยเห็นประตูบอกเลื่อน นี่คนเลื่อนเวลาหรือเปล่า <c oughs> ใครเป็นครั้งนี้เป็นการเข้าคอร์สครั้งแรกของของใครบ้างมากกว่าครึ่งเลยเนาะ <c oughs> เป็นผู้บริหารหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> บริหารโรงเรียน <c oughs> ใช่ไหมสำนักงานใหญ่กว่าโรงเรียนใช่ไหมโอ้ถือเป็นการมาเปิดตัว ไม่ใช่เปิดคอร์สเพราะว่าเมื่อเช้านี้ถือว่าเป็นการเปิดคอร์สไปแล้วจากไปฟังธรรมหลวงพ่อคงจะได้ฟังขอบเขตของการปฏิบัติเมื่อเช้านี้ก็ถ้าจะหยิบเอาที่หลวงพ่อบอกเมื่อเช้ามาขยายก็คือท่าน เฉพาะวันนี้นะนะท่านเน้นว่าให้เรามีความรู้สึกตัวให้ได้ก่อนนะรู้สึกตัวก็คือมีความมีสติขึ้นมามีความรู้ตัวขึ้นมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจนี้คงจะเคยฟังธรรมของหลวงพ่อมาแล้วใช่ไหมของหลวงพ่อประโมทจะไม่อารมณ์ขบืดเยอะก็คือเข้าเรื่องเลยนะสิ่งที่หลวงพ่อหรือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ มุ่งจะให้เราได้มีก่อนธรรมะตัวที่จะมีอุปการะคุณกับพวกเราก็คือตัวสติความรู้สึกตัวสติในที่นี้เนี่ยหมายถึงระลึกได้ระลึกได้ว่ากายขณะนี้เป็นยังไงใจขณะนี้เป็นยังไงไม่ใช่สติแบบคนทั่วๆไปสติในที่นี้เรียกเต็มว่าสติปัฏฐานเคยได้ยินคำนี้ใช่ัหม สติปัฏฐานเคยได้ยินไหมหรือว่าไม่เคยไม่เคยสติปัฏฐานเนี่ยคื อ, คอไม่ใช่สติแบบรู้ตัวทั่วไปเหมือนที่คนทั่วๆไปก็รู้ตัวว่าขณะนี้ชั้นกําลังขับรถขณะนี้ชั้นกําลังเดินขณะนี้ชั้นกําลังกินหรือขณะนี้ชั้นกําลังนั่ ง, ง, น, น, ยยงนี่นะอันนี้เรียกว่าเป็นสติแบบทั่วๆไปถ้าเรารู้ตัวว่าขณะนี้ชั้นกําลังนั่งเนี่ยนะ เป็นสติแบบคนทั่วๆไปแต่สติเพื่อที่จะมารู้ให้ยิ่งที่เป็นสติเพื่อวิปัสสนาคือสติเพื่อจะพัฒนาต่อไปสู่ปัญญาแล้วก็ให้ทุกน้อยลงปัญญาในที่นี้นี่คือปัญญาเห็นความจริงและทุกน้อยลงสติตัวนี้ไม่ใช่แค่รู้สึกว่าฉันกำลังนั่งฉันกำลังเดินฉันกำลังขับรถอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่นั้นเพราะว่า อันนั้นเนี่ยเป็นความรู้สึกว่ามีชั้นอยู่ตัวสติที่จะไปเป็นเครื่องมือที่จะมีอุปการะคุณที่จะพัฒนาต่อไปเนี่ยนะคือไปเห็นว่ามีกายและมีใจอย่างที่ประโยคที่หลวงพ่อปราโมทสรุปมาเป็นสั้นๆเป็นประโยคสําหรับนักปฏิบัติที่เอาไปเป็นเป็นคู่มือในการปฏิบัติได้ตลอดไป ประโยคสั้นๆมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่มีว่ารู้กูไม่มีว่ารู้ว่าฉันทำอะไรหรือใครทำอะไรรู้ว่ามีกายและมีใจสองอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าฉันกํำลังนั่งเนี่ยนะยังเป็นสติแบบทั่วๆไปคนทั่วๆไปถ้าจะเป็นสติ เพื่อจะมาพัฒนาให้เกิดปัญญาในทางพุทธศาสนาคือสติรู้กายและหรือรู้ใจมีและหรือด้วยนะรู้กายหรือรู้ใจรู้กายก็คือเวลาเห็นกายนะมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งอยู่ในท่านี้ท่าอย่างเงี้ยใครนั่งขัดสมาธิก็ขัดสมาธิอยู่ใครนั่งผับเพียรก็ผับเพียบอยู่ใครนั่งเก้าอี้ก็ท่าอย่างนั้น เป็นไปตามท่านั้นกายเป็นอย่างนี้เวลามีสติเห็นจะเห็นเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่มีคําว่ากูไม่มีไม่มีชื่อว่าเป็นชื่อนั้นชื่อนี้ไม่มีชื่อว่าเป็นพจนาไม่มีชื่อว่ากริชหรือไม่เป็นชื่อวุฒคุณวุฒอะไรเงี้ยปออวุฒไม่มียศด้วยมันเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งเนี่ยเวลาเห็นกายเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง อย่างเี้ยนะเรียกว่ามีสติรู้กายสังเกตดูถ้ามีสติรู้ใจไม่ใช่ว่าชั้นกำลังโกรธนะไม่ใช่ฉั้นกำลังเหม่อไม่ใช่ยังั้นไม่ใช่ันกำลังมีราคะมีโทสะเห็นราคะเห็นราคะเห็นโทสะเห็นโมหะเห็นความฟุ้งซ่านหดหูเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจ ไม่ใช่ว่าเห็นฉันกำลังเป็นอย่างนั้ endo, นเห pues ็นฉันกําลังเป็นอย่างนี้เวลาเผลอเหมอรอยจะเป็นขณะที่ดูยากขณะเป็นเป็นขณะที่ดูยากสําหรับคนเริ่มต้นใหม่คนเริ่มต้นใหม่นี่จะดูได้ง่ายๆจากเวลาจิตมันมีกิเลสตัวใหญ่ๆ่ตัวใหญ่ๆ่เห็นชัดๆัดเด่นเดส่วนใหญ่คน ที่จะฝึกสติแล้วก็เห็นได้ง่ายๆส่วนใหญ่ก็จะเห็นโทสะเวลามันเกิดแรงๆเวลาตกใจคือกิเลสตัวใหญ่ๆแรงๆเราจะเห็นมันชัดขึ้นสมมติว่าโกรธเนี่ยนะเวลาคนโกรธขนาดที่โกรธเป็นขนาดที่เผลอไม่มีสติจิตใจจะไปหาบุคคลหรือเหตุการณ์ที่ไม่ชอบ ขณะนั้นเผลอขณะนั้นไม่มีสติจิตเนี่ยเป็นเป็นเหมือนสภาพหรือนมามรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมารู้อารมณ์พร้อมกับมีกิเลสหรือมีมีบุญมีกุศลอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นประกอบนะแล้วมันก็ดับเป็นเหตุให้จิตอีกดวหนึ่งเกิดขึ้นมารู้อารมณ์เกิดบุญเกิดกุศลเกิดกิเลสแล้วก็ดับ เป็นเหตุให้จิตอีกดวงหนึ <wreck ing Scott> ok ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับเกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับไม่ใช่มีจิตดวงเดียวเป็นอมตะไม่ตายไม่ใช่อย่างนั้นนะเวลากายนี้ตายแล้วจิตดวงนี้ออกมาไปสิงดวงอื่นสิงกายอื่นต่อไม่ใช่อย่างนั้นความจริงของจิตนี้คือเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับนี่ก็ไม่ตรงเท่าไหร่ต้องเกิดดับเกิดดับเกิดเกิดดับมันเหมือนก็มีสองดวงเกิดพร้อมกันใช่ไหมจริงๆเกิดดับเกิดดับ จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาดับไปเ ป, เป็นเหตุให้จิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วจิตเนี่ยมีสภาพเป็นปกติของมันคือรู้อารมณ์อารมณ์ในที่นี้ไม่ใช่อีโมชั่นเป็นศัพท์เฉพาะของพุทธศาสนาแต่พอคนไทยมาเรียนพุทธศาสนาแล้วเอาไปใช้ไปแปลความหมายผิดนะความหมายดั้งเดิมนะจิตมีสภาพรู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้โดยจิตเช่นเช่นอะไรดี เห็นพระนั่งอยู่สองรูปลองหันไปมองพระปุ๊บมาตอนนี้นะภาพของพระสองรูปเป็นอารมณ์ของจิตเราหันมองออกมาตอนนี้เห็นพระรูปเดียวพระรูปเดียวที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นอารมณ์ของจิตของแต่ละดวงแต่ละดวงแต่ละดวงที่นั่งอยู่นี้ของเราถ้าเสียง จิตรับรู้เสียงเสียงเป็นอารมณ์ของจิตจิตเนี่ยรับรู้โลกตามช่องทางได้หกช่องทางช่องทางที่เราจะรู้ว่าโลกนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเรารับรู้ได้อยู่หกอย่างรับรู้แสงสีด้วยตารับรู้เสียงด้วยหูรับรู้กลิ่นด้วยจมูกรับรู้รสรสนะด้วยลิน้นรับรู้ว่ามีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวด้วยกาย รับรู้ความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆด้วยใจปรุงเป็นดีเป็นเป็นไม่ดีเป็นบาปเป็นบุญด้วยใจมารับรู้อย่างนี้แล้วก็ดับมารับรู้ทีละอย่างด้วยนะรับรู้ทีละอย่างจะดูเสียงแล้วก็ดับไปไม่ใช่ดูเสียงดูดูรูปแล้วก็ดับไปฟังเสียงแล้วก็ดับไปฟังเสียงซ้ำๆก็ได้ดูรูปซ้าๆก็ได้แต่ใ น, นขณะที่ดูเนี่ยดูแล้วก็ดับดูแล้วก็ดับ เรารู้ความจริงอย่างนี้เนี่ยทีแรกเราต้องใช้ความเชื่อความเชื่อก็คือว่าความรู้อันนี้ไม่ใช่ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของเราเองแต่เป็นประสบการณ์ของผู้รู้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าจิตนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นอมตะเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ดับเลยสิ่งร่างนี้แล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นสัตว์อะไรไม่ใช่อย่างนั้นเป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับ เรามาพิสูจน์เรามาพิสูจน์คำคำสอนของพระุทธเจ้าว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพบและนำมาบอกต่อให้พวกเราได้ได้ฝึกได้เรียนเนี่ยท่านบอกว่าจิตเนี่ยมันมีเกิดมีดับจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับจิตและเป็นเห็นให้จิตอีก ด, ดวงหนึ่งเกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับเรายังไม่เห็นเรายังไม่เห็นตรงนั้นนะให้มาลองพิสูจน์คาสอนของท่านดูเวลา เกิดกิเลสอะไรแล้วรู้ทันเกิดกิเลสอะไรแล้วรู้ทันขณะ น, นั้นเรากาลังฝึกดูดูสภาพที่เกิดขึ้นกับจิตจิตเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่รู้เฉยๆมันรู้แล้วก็พลอยมีกิเลสเกิดขึ้นด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการรู้นั้นทางพระเรียกว่าเจตสิกเคยได้ยินคำนี้ไหมเจตสิกใครไม่เคยได้ยินบ้างเจตสิก เจตสิกนี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมเจตสิกเป็นสภาพที่เป็นนามนธรรมที่เกิดพร้อมๆกับจิตจิตเวลารู้อารมณ์เนี่ยนะมันไม่ใช่รู้เฉยๆรู้แล้วก็รักเคยมีความรักัหยเคยมีความรักไหยเคยถูกรักไหมเวลามีความรักจิตมันไม่ใช่รู้เฉยๆมันรู้แล้วก็รักเคยโกรธไหม เวลารู้เนี่ยมันไม่ใช่รู้เฉยเฉยมันรู้แล้วก็โกรธเคยเหม่อไหมมันไม่ใช่รู้เฉยเฉยมันรู้แ ล, ล้วเลยลอยเห็นไหมมันรู้แ ล, ล้วเลยลอยมันเหม่อเคยมีถีนามิทะไหมถีนามิทะรู้จักไหมหดหูรู้จักหดหูไหมเคยหดหูไหมใครไม่เคยหดหูบ้างมีไหมสภาพหดหูนะคือมันพ้อถอยเคยขี้เกียจไหม ขี้เกียจก็จัดอยู่ในหดหูรู้สึกจะบ่อยกว่าขายันด้วยใช่ไหมสิ่งเหล่านี้นะสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องยืนยันว่าจิตเกิดดับเวลาหดหูก่อนจะหดหูมันไม่หดหูเห็นไหมก่อนหดหูไม่หดหูพอมีหดหูแล้วหดหูตลอดไหมไม่ตลอดหดหูก็ดับ เคยมีสุขไหมสุขมีสุขก็มีสุขมากสุขน้อยเคยมีทุกข์ไหมทุกข์ก็มีทุกข์มากทุกข์น้อยเคยไม่สุขไม่ทุกข์ไหมบ่อยกว่าสุขกับทุกข์อีกใช่ไหมตอนที่ไม่รู้ว่าสุขเนี่ยกับไม่รู้ว่าทุกข์นี่ยขณะนั้นคือไม่สุขไม่ทุกข์เข้าใจไหมตอนนี้สุขจังเลยเพิ่งจะรู้ว่าสุขไอ้ก่อนก่อนที่มีความรู้สึกว่าสุขจังเลยเนี่ยนะคือมันไม่สุขไม่ทุกข์ทุกข์จังเลย ก่อนน้าจะทุกข์เนยนะคือ re, ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นสภ า, าพที่จิตมีสุขบ้างทุกข์บ้างเกิดขึ้นปนจิตมีราคะบ้างโทสะบ้างเกิดข <irgendwie sweetness S 1> <heet S 2> ึน้นปนเลยนะเกิดเกิดดับดับ <ๆ S 1> เปลี่ยนแปลงไปเรื่อๆๆเยเรยเราจะรู้ว่าจิตมันเกิดดับได้จริงก็คือว่ามารู้ว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาปนกับจิตเนี่ยมีอะไรบ้างรู้ว่ามีราคะเกิดขึ้นปนกับจิตดูมันมีโทสะเกิดขึ้นปนกับจิตดูมันนี่นะ แล้วมันก็ดับเพราะขณะที่เกิดราคะเกิดโทสะหรือเกิดกิเลส ต, ต่างๆ น, นนะเป็นขณะที่จิตมันไม่มีสติพอเรามีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นะคนคนคนครสวรรค์ใช้คำว่าเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้น ะ, ะถ้าคนชนบุรีนะใช้เมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าคนกรุงเทพใช้เมื่อกี้งั้นอาตมาเนี่ยอยู่ระหว่างกรุงเทพกับ ชนบุรีใช้เมื่อกี้ธรตมะอยู่บางประกงนี่เลยอยู่ตรงข้ามฝั่งนี่เองบ้านจนมาบ้านเกิดนะว่ายน้ำข้ามตอนนี้ถ้าไว่ายไปนะก็จมน้ำตายเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตเวลาเราฝึกจะฝึกดูสติให้ให้จิตมันมีสติเนี่ยนะจิตเนี่ยมีสภาพที่คอยรู้รู้รู้รู้รส่วนใหญ่รู้ข้างนอกอย่างที่บอกแล้วว่า เห็นหน้าคนนั้นบ้างเห็นเหตุการณ์นั้นบ้างแล้วพอใจไม่พอใจสมมุตินี่ติ้งต่างติ้งต่างนะเห็นหน้าเต็มสิริเกิดโทสะหน้าเหมือนเจ้าหนี้เก่าอะไรเงี้ยสมมุตินะเห็นแล้วก็เกิดโทสะเกิดโทสะขึ้นมาในขณะที่เกิดโทสะเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันว่าขณะนั้นไม่มีสติจิตทรงออกไปเห็นหน้าคนนั้นจิตเห็นหน้าเต็มสิริเป็นอารมณ์มีหน้านั้นเป็นอารมณ์ แล้วเกิดสัญญาหรือเกิดความคิดนึกไปเปรียบเทียบกับอดีตว่าเป็นหน้าของศัตรูเก่าอะไรประมาณอย่างนี้นะเกิดโทรศัพ์แล้วก็ดับดับเองเพราะจิตมีสภาพคือเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอเราไม่ต้องไปดับมันมันก็ดับอยู่แล้วจิตเนี่ยนะเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอเหมือนไฟไฟนี่ก็เกิดดับใช่ไหมใครเรียนวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมไฟเกิดดับแต่มันถี่มากถี่เกินกว่าที่ตาจะแยกได้ถี่เกินกว่าที่ตาจะแยกได้ แต่เราสามารถใช้เครื่องมือมาวัดได้ว่ามันเกิดดับได้จริงนะเกิดดับได้จริงจิตเป็นแบบนั้นแต่เกิดดับที่กว่าไฟตอนนี้เรายังไม่มีเครื่องมือที่จะไปวัดว่าจิตมันเกิดดับไม่มีเครื่องมือทางวัตถุมันจะมาจับใช้ขั้วบวกขั้วลบมาต่อแตะอะไรไม่มีมันเป็นนามธรรมา ท, ที่เกิดดับเร็วเราก็ต้องพัฒนานามธรรมา นะพัฒน า, นามาทำของเราเอาไปจับความเกิดดับของจิตคือพัฒนาสตินั่นเองมาให้มีสติมารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตจิตมันคอยรู้ข้างนอกก็หันมารู้จิตซะบ้างเพราะจิตเนี่ย ม, มีสภาพอย่างที่บอกแล้วว่าเกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับเกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับในขณะที่มันจะดับเนี่ยมันรู้อารมณ์แล้วก็เกิดกิเลสเช่นเห็นเต็มสิริ แล้วเกิดเมื่อกี้เกิดอะไรโทสะนะออจําไม่ได้แล้วเกิดอะไรเกิดโทสะแล้วก็ดับเห็นหน้าอีกก็เกิดโทสะอีกแล้วก็ดับจิตดวงหม่เกิดขึ้นมาอีกเห็นหน้าอีกเกิดโทสะแล้วก็ดับแล้วคนทั่วไปนะปุถุชนทั่วไปคือโทสะจะดับเปลี่ยนอารมณ์ได้คือสมมุติไปเห็นหน้าอาจารย์พจนาจากเกิดโทสะเกิดเกิดอะไรดีกลัวเพราะว่าก็เป็นแม่เห็นแม่ ตายล้กลัวเกิดขึ้นมาเห็นหน้าพออาวุธยิ่งกลัวใหญ่เลยอย่างเงี้ยนะเปลี่ยนจากโกรธเป็นกลัวแล้วก็หนีไปไปเจอหน้าคุณแมวไปเจอหน้าพี่แมวโอ้พี่แมวใจดีรู้สึกว่าเกิดราคะขึ้นมาเนี่ยนะสมมตินะจิตมันก็ส่งออกไปกิเลสก็ดับจากตรงนี้จากโทสะมาเป็นกลัวจากกลัวมาเป็นรักคนทั่วๆไปเนี่ยนะ กิเลสเกิดดับอยู่เรื่อยๆแม้ไม่มีสติแม้ไม่มีสติเห็นหน้าคุณแมวเกิดความรักมาเจอหน้าเต็มสิริอีกทีโกรธอีกแล้วนี่นะจิตของคนทั่วๆไปจะเป็นอย่างนี้เดินไปโรงอาหารเห็นอาหารอยากกินเกิดโลภกินแล้วอร่อยอยากกินอีกโลภอีกเกิดราคะในรสชาตินั้นอีกเจออาหารใหม่อีกจานหนึ่งอยากกิน ชิมดูไม่อร่อยเกิดโทสะจะมีกิเลสเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอกับสิ่งที่มากระทบกับกับเราถ้าเรายังคงวนเวียนอยู่อย่างนี้นะจิตไม่ได้เรียนรู้อะไรที่เป็นของจริงที่จะมาพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นสิ่งที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้าก็คือให้เรามีสติมารู้สองเรื่อง รู้กายหรือรู้ใจแล้วเน้นที่ใจส่วนคนที่รู้กายได้ก็คือคนที่ทำทำสมาธิเก่งๆจะรู้ได้ก็รู้ไม่ได้ห้ามแต่รู้กายก็เพื่อมารู้ใจอีกทีเหมือนกันเพราะกิเลสต่างๆมันเกิดที่จิตนะเมื่อจิตรู้อะไรเช่นรู้เต็มสิริและโกรธแล้วมันก็ดับ จิตดวงใหม่แทนที่จะไปร no. ู้เต็มสิริอีกหรือไปรู้คนอื่นต่อเนี่ยนะหันมาดูสักหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตเมื่อกี้นี้หันมาดูสมมุติว่าจิตดวงนี้ไปดูเต็มศิริแล้วโกรธแล้วก็ดับจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องสั่งมันเกิดดับอยู่แล้วจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่จะไปรู้อย่างอื่นหรือรู้เต็มศิริต่อไปหันมาดูจิตเมื่อกี้นสักหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นพอหันไปดูแล้วก็จะรู้ความจริงว่ามันเกิดโทสะกับจิต เมื่อกี้นี้หรือเมื่อกี้นี้หรือเมื่อกี้นี้ต้องใช้ภาษาหลายภาษานะแล้วจิตดวงนี้จึงเรียกว่าเป็นจิตที่มีสติมีสติคราวนี้ไม่ใช่สติรู้กายแต่เป็นสติรู้ใจใมาพอมีสติแล้วรักษามันได้ไหมไม่ได้เพราะจิตเกิดดับอยู่เสมอจิตที่มีสติก็ดับเหมือนกันจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาเผลอต่อ ไปรู้คนนู้นรู้คนนี้มีราคะมีโทสะต่อไปหน้าที่ของเราก็คือเหลียวมาดูจิตเมื่อกี้สักหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นให้มันมีกิเลสต่อไปแล้วเหลียวดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตมีราคะก็รู้ตามตรงว่ามีราคะมีโทสะก็รู้ตามตรงว่ามีโทสะรู้อย่างนี้แล้วใช้ได้กับชีวิตประจําวันมีประสบการณ์กับโลกยังไง เห็นโลกอะไรได้ยินว่ามีอะไรกับโลกโลกนี้มีกลิ่นยังไงโลกนี้มีรสอะไรบ้างโลกนี้มีเย็นร้อนอ่อนแข็งยังไง ร, รู้แล้วเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะรู้แล้วสุขรู้แล้วทุกขหรือรู้แล้วเฉยๆสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องสําหรับใช้สติไประลึกได้ทั้งนั้นเลยไม่เลือกไม่เกี่ยงแล้วก็ไม่รอให้บุญเกิดไม่ใช่รอว่า เมื่อไรจิตจันจะดีเมื่อไรจิตท่านจะมีเมตตาเมื่อไรจิตจ่านจะมีกรุณาไม่ต้องรอรออย่างนั้นเลยนะนานๆจะเกิดเมตตาสักครั้งหนึ่งนานๆจะเกิดใจดีสักครั้งหนึ่งรู้ไปเลยรู้ไปตรงๆไปเลยว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีที่พระพุทธเจ้าชี้แนะเอาไว้ว่า จิตมีราคะก็รู้ทันว่าจิตมีราคะราคะดับไปก็รู้ว่าราคะดับจิตมีโทสะก็รู้ทันว่าจิตมีโทสะโทสะดับไปก็รู้ทันว่าโทสะดับจิตมีโมหะจิตฟุ้งซ่านจิตหดหู่เรื่องนี้ไม่ดีทั้งนั้นเลยแต่รู้แล้วดีขณะที่มีราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหนตู่แต่ละขณะเนี่ยนะเป็นขณะที่ไม่ดีขณะนั้นเป็นอกุศลแต่พอรู้แล้วขณะนั้นมีสติขณะนั้นเป็นกุศลแล้วกุศลกับอกุศลไม่เกิดพร้อมกัน ไม่เกิดพร้อมกันพอมีสติขึ้นมาอากุศลแม้ไม่ตั้งใจให้มันดับมันดับเองมันดับเองจิตดวงนี้ไปเห็นหน้าคนนี้แล้วเกิดอกุศลคือเกิดโทสะแล้วก็ดับจิตดวงใหม่มีสติรู้ขึ้นมาว่าเมื่อกี้นี้จิตมีโทสะจิตดวงนี้เป็นกุศลมันเปลี่ยนอารมณ์ได้ด้วยแทนที่จะไปรูหน้าของคนคนนี้คือเต็มสิริเนี่ย มารู้จิตเมื่อกี้ที่เพิ่งดับไปเปลี่ยนอารมณ์รู้อย่างนี้นะว่าจิตตรงนี้เป็นกุศลด้วยเปลี่ยนอารมณ์ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปดับกิเลสกิเลสดับเองท่านจึงบอกว่าสติเป็นเครื่องรักษาจิตไม่เราเราไม่ต้องไปคอยไม่ต้องไปคอยดับกิเลสแค่มีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้เกิดและขึ้นกับจิตจิตที่มีสตินั่นเองเนี่ยเป็นตัวดับกิเลสเป็นในตัว ไม่ต้องไปตั้งใจดับนะแล้วมันจะมีความรู้ใหม่จิตเดิมๆที่เราสาหรับคนทั่วไปที่ไม่เคยฝึกเนี่ยนะมันจะไปรู้แต่ข้างนอกรู้แต่ข้างนอกพอเราเริ่มเรียนรู้ใหม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับจิตเมื่อกี้เนี่ยนะขณะที่รู้ตรงนี้เนะี่ยมันจะมีความรู้สึกตื่นขึ้นมามันไม่เคยเห็นเลยว่า ทุกทีเนี่ยอย่างที่บอกแล้วมันเห็นแต่ข้างนอกเนี่ยนะมันไม่เคยเห็นเลย ว, ว่าจิตเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นพอมาเรียนรู้ว่าเมื่อกี้นี้จิตมีโทสะเมื่อกี้นี้จิตมีราคะเมื่อกี้นี้จิตหดหูหือเมื่อกี้นี้จิตมันฟุ้งซ่านขณะที่มีสติตรงนี้นะนะจะรู้สึกว่าตื่นตื่นตัวขึ้นมาตื่นเนี่ยมีคำยืนยันเป็นบาลีคือพระพุทธเจ้าก็ตรัสเองว่าสติเป็นเครื่องตื่นในโลก แค่มีสติเกิดขึ้นมาเนี่ยนะจะรู้สึกเลยว่าชีวิตทั้งชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนหลับเหมือนไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนข้อมูลต่างๆที่ผ่านเข้ามาในจิตเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้เลยเหมือนฝันเหมือนฝันไปแต่จริงๆเนี่ยของจริงเพิ่งเห็นเมื่อกี้นี่เองว่าราคาเาาระเป็นอย่างนี้ว่าโทรศัพท์เป็นอย่างนี้หันมาดูอาตมาชอบใช้คําว่าแงะแงะคนนครสวรรค์ใช่ไหม ใช้คําว่าแงะแงะคือยังไงฮะอออกเสียงแงะเนาะพอจะมาออกแสงนักขรสนามอยู่เหนือมันเสียงจะสูงหน่อยจะมาอยู่ทางบางประกงเนี่ออกเสียงต่ํานิดหนึ่งแงะออกแงะนะถ้าเหมือนถ้าทํามแงะที่บางประกงมันคือแงะหน้าต่างแง่ประตูแงะคือหันมาหรือแงะเนี่ยนะต้องแง่ต้องแง่ของนักขรสนามด้วยนะคนฟังต้องฟังให้ดี แง่ก็คือหันมานิดหนึงหันนิดเดียวพอหันไม่นานถ้าถ้าเหลียวไปจ้องอันนี้ไม่ใช่แง่นะใช่ไหมเหลียวไปจ้องเนี่ยคือตั้งใจดูดูนานๆให้มันเห็นนานๆแต่เจริญสติเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่หันไปจ้องแค่แง่ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้แล้วก็กลับมาเผอต่อทําไมต้องกลับมาเผอต่อเป็นธรรมชาติของมันเพราะว่าสติเกิดขึ้นมาแล้วกดับไปแล้วจิตดวงใหม่ จะตั้งใจให้มีสติต่อนะขณะนั้นผิดปกติขณะนั้นผิดปกตินะมันจะต้องไปรู้อะไรแล้วก็เกิดกิเลสค่อยรู้ใหม่ไปรู้อะไรแล้วเกิดกิเลสค่อยรู้ใหม่ได้ยินอะไรเกิดกิเลสค่อยค่อยรู้จิตใหม่อย่างนี้นะเดินไปสมมุติว่ามีหน้าที่ไปตรวจตรงเรียนด้วยป่ะมีหน้าที่ไปตรวจโรงเรียนใช่ไหมไปไปประเมินผลโรงเรียนอะไรใช่ไหมสมมุติว่าไปประเมินผลโรงเรียนเราอยากจะรู้อยากจะรู้ว่าโรงเรียนนี้ เขาสอนได้ผลแค่ไหนเนี่ยนะถ้าเราไปแบบเป็นทางการเนี่ยบางทีอาจจะได้ผลแบบอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเหมือนเขาเขาต้องมาปรุงแต่งให้มันดูดีใช่ไหมอาจจะมีบางคนใช้วิธีว่ามีนะมีเรื่องมาบอกว่าบางคนก็ไปตัวโรงเรียนนี่แหละอยากจะรู้ข้อมูลแท้รู้แล้วว่าไอ้ไอที่ครูใหญ่ครูน้อยต่างๆจัดฉากเลยนะ มันอาจจะไม่ไม่ใช่เรื่องจริงๆที่เป็นจริงในโรงเรียนนั้นก็ได้ก็เลยเรียกเด็กคนหนึ่งมาเด็กนักเรียนอยากจะทดสอบว่าโรงเรียนนี้เนี่ยกเขาสอนได้ได้ผลแค่ไหนมันที่ที่น้องห น, งนงูหนูหนมาดิสินะเรียกมาอยากลองประเมินจากของจริงนะเรียกมารู้ไหมว่าใครทำกรุงศรีอยุธยาแตก นี่เป็นการประเมินแบบสดๆตรงนั้นเลยนะเด็กมาตกใจที่แรกถูกเรียกมาตกใจนะพอเจอคำถามเปล่าครับผมไม่ได้ทำครับแล้วก็รีบไปครับครับไม่ใช่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมครับผมไม่ได้ทำครับรู้สึกไงถ้าเกิดเราถามงี้แล้วเด็กตอบงี้รู้สึกไงขอถามนักประเมินหน่อยเคยเจอเคยเจอไหมเคยถามอย่างนี้ไหมแล้วเด็กตอบยังไงอาจารย์พจนารู้เคยเจอไหม เคยถามอย่างนี้ไหม <Okay. S 1> ไม่เคยไม่เคยแบบไล่ไล่ถามกับเด็กที่ในโรงเรียนนั่นเลยนะแต่คนนี้ก็เจอความรู้สึกก็คือว่าขำไหมขำไหมรู้สึกขำนะขมปนกับปนอะไรรู้สึกว่าโรงเรียนนี้น่าจะมีปัญหา <laughs> ใช่ไหมอาจารย์สอนประวัติศาสตร์นี่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมอะไร ถามว่าใครทํากรุงศรีอยุธยาแตกเด็กตอบว่าเปล่าวครับผมไม่ได้ทําครับก็เลยเดินกลับมาเหมือนหัวเราะหึ่ๆในใจเดีวมาเจอครูประจําชั้นก็เลยเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะไปถามเด็กหญิงเต็มอเด็กชายดีกว่าเมื่อกี้เด็กเด็กหญิงไม่ใช่เพราะบอกว่าเด็กไปถามเด็กชายวุฒิไปถามเด็กชายวุฒิมาบอกว่า ใครทำกรุงศรีอยุธยาแตกเด็กชายวุฒบอกว่าผมไม่ได้ทำครับไปเล่าให้ครูประจำชั้นฟังครูประจำชั้นจริงค่ะวุธเนี่ยก็เป็นคนดีเป็นเด็กเรียบร้อยมากเขาไม่ทำเรื่องนั้นแน่ๆน <c oughs> อาจารย์สุชาเคยเจอไหม <c oughs> ไอ้ทีแรกตกใจว่านักเรียนตอบอย่างนี้นะ ไปรียนรายงานครูประจําชั้นครูประจำชั้นนัยืนยันว่าวุดเนี่ยก็เป็นเด็กดีเขาไม่ทําเรื่องนั้นแน่แนรู้สึกยังไงผู้ประเมินรู้สึกงไง <l uc ing> เปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปใช่ไหม <l uc ing> สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเปลี่ยนแล้วใช่ไหมขำไหมตอนนี้ขำไห ม, ไหมชักหดหูใช่ไหมหรือชักจะมีโทสะเลยใช่ไหมท <l uc ing> น, นไม่ได้เริ่มทนไม่ได้ไปแรงงานพ อ, อ บอกว่าเนี่ยไปบอกเด็กถามเด็กอย่างนี้เด็กตอบอย่างนี้ไปถามครูครูก็ยืนยันมาอย่างนี้พอเอาบอกจริงครับเด็กคนนี้ได้รางวัลมาไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียเลยและเขาเป็นครูประจำชั้นเขาเห็นจริงๆตกลงนี่คนประเมินอาจจะแยกก็ได้นะไปมองเด็กผิดใช่ไหม <laughs> ถ้าเป็นนักถ้าเป็นนักเจริญสติ เราจะเริ่มมีสติตอนไหนได้บ้างมีสติตอนไหนได้บ้างถ้าเป็นเด็กตกใจรู้ว่ารู้ทันว่าตกใจถูกถูกใครมารู้เรียกมาตกใจแล้วรู้ทันไหมถ้ารู้ทันตอนนั้นมีสติตอบตอนนั้นเนี่ยโกหกไหมเด็กตอบนี่โกหกไหมไม่โกหกตอบเท่าที่รู้ใช่ไหมไม่ได้ทําอ่ะ อะไรแตกไม่รู้แต่ผมไม่ได้ทําครับได้ไหมได้ยินอย่างนั้นขำขำในใจรู้ทันไหมคนประเมินเนี่ยรู้จักถ้ารู้ทันตอนนั้นมิเรียกว่ามีสติถ้าไม่รู้ทันมองแต่เด็กเห็นเด็กเป็นยังไงเห็นเด็กนี่น่าสมเพชหรือว่าเด็กเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงนนะถ้าเห็นว่าเด็กไม่ได้เรื่องเกิดโทสะโรงเรียนนี้ใช้ไม่ได้เลย เกิดโทสะรู้ทันโทสะไหมถ้าไม่รู้ทันโทสะเห็นแต่โรงเรียนนี้ไม่ได้เรื่องหรือว่าเห็นเด็กคนนี้ไม่ได้เรื่องนี่นะเดินไปขณะเดินกำลังเดินไปเนี่ยขาก้าวไปก็ไม่รู้กายกําลังเดินอยู่นี่ก็ไม่รู้เดินไปนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยรู้แต่ว่าชั้นจะต้องไปเจอครูประจําชั้นให้ได้เดินไปเจอหน้าครูประจำชั้นดีใจหรือเสียใจก็ไม่รู้รู้แต่ว่าจะต้องไปเจอให้ได้พูดไปแล้วรายงานไปแล้ว ต้องการจะให้ได้รับคําตอบแบบหนึ่งเจอคําตอบแบบนี้ตกใจมีโทสะขึ้นมาถ้าไม่รู้ทันโทสะก็รู้แต่ว่าครูประจาชั้นคนนี้ใช้ไม่ได้มีปัญหาโรงเรียนนี้มีปัญหาเกิดโทสะโทสะเกิดขึ้นไม่รู้จากว่ามีเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตก็ <bidding. S 2> รู้แต่ว่าโรงเรียนนี้ไม่ไดีดโรงเรียนนี้ไม่ได้เรื่องครูประจาชั้นไม่เรื่องนักเรียนไม่ได้เรื่องเกิดโทสะไม่รู้ทันโทสะ รู้แต่ข้างนอกนะรายงามนมาอย่างนี้ไม่ก็ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดังใ จ, งใจต้องไปคุยกับพ อ, อคุยกับพ อ, อได้คาตอบอีกแบบหนึง่งก็เกิดโทสะขึ้นมาใหม่อีกสรุปแล้วลงเรียนนี้ไม่ได้เรื่องแต่ไม่รู้เลยว่าจิตเกิดโทสะจิตนี้ไม่ได้เรื่องไม่รู้เลย <c oughs> นี่นะหันมาดูสักหน่อยแงะมาดูสักหน่อยแงะมาดูตอนไหนก็ได้กรดได้ ถ้าเด็ตอบอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเกิดโทสะหันมาดูสักหน่อยครูตอบอย่างนี้เกิดโทสะไม่ได้เรื่องหันมาดูจิตสักหน่อยแทนที่จะไปให้มสีสภาวะต่างๆเกิดขึ้นแล้วไม่เกิดสติเลยไม่ไม่ทำให้สภาวะต่างๆนั้นเป็นประโยชน์ต่อการเจริญสติเลยโอกาสที่จะเจริญสติเนี่ยมีอยู่ได้ตลอดเพียงแต่แว่เรามักจะไม่ได้คว้าโอกาสนั้นมาเป็นเครื่องเจริญสติ ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะมีกิเลสเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแต่กิเลสนั้นไม่มีประโยชน์สำหรับเราเลยที่จะมาเจริญสติถ้าเราไม่แงะมาดูเราเพียงแต่พอรู้แล้วว่ามันจะต้องรู้นะมันจะต้องหันมาดูนะก็หันมาดูบ่อยๆมันจะเป็นของไม่ดีทั้งนั้นเลยที่เราจะมารู้ไม่ต้องไปรอว่าจะเกิดอะไรของดีๆเกิดขึ้นไม่ต้องรอมันไม่ค่อยมีให้ไปดูเลยว่า เมื่อกี้นี้เหม่อไปเมื่อกี้นี้ใจลอยเมื่อกี้นี้เผลอไปแล้วเมื่อกี้นี้โกรธแล้วเมื่อกี้นี้มีราคะขึ้นมาแล้วถ้าไม่รู้ทันนะกิเลสเหล่านั้นก็จะพัฒนากิเลสเหล่านั้นพัฒนาพัฒนาไปแล้วก็จะทำให้เราไปพลาดในการแสดงออกกับโลกเรารับรู้ว่าโลกนี้มีอะไรบ้างด้วยหกช่องทางด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจแลวเวลาเราแสดงออกเนี่ยแสดงออกอีกสมช่องทาง อะไรบ้างแสดงออกกับโลกนี่ดูไหมตอนรับรับมาหกนะแต่แสดงออกแสดงออก3คือทางกายทางวาจาและทางใจเรียกว่าทำกรรมกับโลกนี้3ถทางทางกายเรียกว่ากายกรรมทางวาจาเรียกว่าจีกรรมทางใจก็เรียกมโนกรรมแสดงออกบางทีไม่แสดงออกแค่คิด แค่คิดก็เป็นมโนโกรรมคิดร้ายกับใครเป็นกรรมทันทีรักใครแบบมีราคะเป็นกรรมทันทีโกรธใครเป็นกรรมทันทีแม่ไ ม, ม่รักไม่โกรธใจลอยเฉยๆตอนนั้นกำลังทำกรรมอยู่ด้วยน่ากลัวนะแค่ใจลอยก็ทำกรรมแล้วคือจเจริญโมหะใจลอยแล้วไม่รู้ตัวกำลังจเจริญโมหะอยู่โกรธ โลภหลงแล้วไม่รู้ตัวแสดงออกทางกายไปตบเขาไปด่าเขาตบเขาเนี่ยทำกายกรรมไปด่าเขาทำวัจีกรรมไปถลึงตาใส่เขากายกรรมแ <c oughs> ชทไลน์กดไลน์นี่เป็นวัจีกรรมใช่ไหมวัจีกรรมไม่ใช่ออกเสียงอย่างเดียวนะเมื่อก่อนนี้ก็เขียนจดหมาย ก็เป็นสื่อสื่อเป็นการสื่อภาษากันสื่อให้รู้ความหมายดีดนิ้วหลิวตาขยิบตาให้อะไรอย่างเนี้ยนี่ก็เป็นเป็นสื่อความหมายพิมพ์พิมพ์มลงในมือถือลงใน iPad ลงในคอมพวกนี้นะก็เป็นสื่อสื่อความหมายให้รู้กัน แต่ถ้าแสดงออกทางกายเช่นเดินกระทืบเท้าตึงๆึงตึ ง, ต ง, ตงเอามือเอามือไปสัมผัสก้าวแรงแรงแบงมือบ้างกำ ม, มือบ้างอนะไรเงี้ยอันนี้เป็นกายกรรมแล้วก็แสดงออกกับโลกนี้โลกนี้คือบุคคลต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่สัตว์ แสดงออกกับคนแ ส, ออกกบแสดงออกกับสัตว์แสดงออกกับสิ่งแวดล้อมในทางดีบ้างไม่ดีบ้างแสดงออกด้วยกายกรรมเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างด้วยกิเลส ต, ต่างๆหรือด้วยกุศลต่างๆถ้าเราไม่มีสติไปรู้ทันกิเลสกิเลสเติบโตขึ้นมาเราก็ไปแสดงออกกับคนกับสัตว์กับสิ่งแวดล้อมกับโลกนี้อย่างเป็นอกุศลไปแสดงออกทำกรรมด้วยกายกรรมที่เป็นบาป วจีกรรมก็เป็นเวจีกรรมที่เป็นบาปแม้ไม่แสดงออกทางกายทางวาจาแค่คิดก็คิดแบบบาปบาปแล้วสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าจิตเกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์แล้วจําเป็นบาปเป็นบุญอะไรก็แล้วแต่นะเวลามันดับไปเนี่ยมันเก็บข้อมูลมันเก็บข้อมูลนะมีราคะเกิดขึ้นมาไม่มีสติรู้ทันมันดับไปในขณะที่ดับมันเก็บข้อมูลคล้ายๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์ การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์อ ค, รอคือเวลามันปิดมันชัดดาวเนี่ยนะชัดดาวเครื่องเนี่ยมันก็จะเซฟข้อมูลคล้ายๆกับการทํางานของจิตจิตเวลาดับเกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์แล้วดับไปเนี่ยมันก็เซฟข้อมูลคือเก็บไว้ในสัญญาเก็บไว้ในส่วนที่เป็นสัญญาถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นสมมุติและเป็นกิเลสเช่นจิตตรงนี้เกิดขึ้นมาเห็นคนนี้แล้วเกิดราคะ ดับไปมันไม่ดับแบบศูนย์หายมันดับแล้วเอาราคะนั้นเก็บไปด้วยตอนที่เก็บเป็นราคะเนี่ยมันสะสมราคะเข้าไปตอนที่สะสมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอนุใสเคยได้ยินคําว่าอนุสัยมเวลาเกิดความไม่พอใจเห็นหน้าคนนี้แล้วเกิดไม่พอใจแล้วมันก็ดับเป็นปกติของจิตที่เกิดเกิดดับดับทุกครั้งที่เกิดความไม่พอใจแล้วดับไป มันก็เก็บความไม่พอใจเอาไว้สะสมไว้ในอนุสัยเรียกว่าปฏิคานุสัยแม่ไม่มีโกรธไม่มีรักแค่เมือม่อเมอไม่มีสติซึ่งก็เป็นปกติของพวกเราใช่ไหมขณะนั้นก็สะสมอวิชานุสัยน่ากลัวนะถ้าไม่มีสติขึ้นมาเนี่ยทุกขณะจิตเลยสะสมอนุสัยไปตลอดราคานุสัยบ้างปฏิคานุสัยบ้าง สะสมไปเรื่อยๆถ้าไม่เจริญสตินะเสียหายเราเกิดมาแล้วขาดทุนมันไม่ใช่เสมอทุนนะขาดทุนดวงไหนที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่มีสติขณะนั้นเนี่ยไปสั่งสมอนุสัยตลอดเลยแต่ขณะไหนที่เกิดมีสติขึ้นมามันจะสะสมสิ่งสิ่งหนึ่งมันรู้จักว่าราคะเป็นยังไง ตอนมีราคะมันไม่รู้จักราคานะมันรู้แต่ว่าคนนั้นสวยคนนี้หล่อเวลามีโทสะมันไม่ได้รู้สักไม่รู้จักว่าโทสะเป็นยังไงนะมันรู้แต่ว่าคนนี้ไม่ได้เรื่องเย่ е คนนี้ไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมไม่ได้เรื่องขนาดนี้ทํามันเลวได้ขนาดนี้สมมตินนะตอนที่เกิดโทสะมันไม่รู้ว่าโทสะเป็นยังไงมันรู้แต่สิ่งนั้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีรู้แต่อย่างนี้แล้วก็เก็บ เป็นอนุใสในขณะที่มีสติมันไม่ไปรู้ว่าใครเป็นยังไงแต่รู้ว่าจิตเมื่อกี้นี้มีโทสะเวลาเรามีความรักมันไม่รู้หรอกว่าราคะเป็นยังไงแต่ตอนที่มีสติมันจะมันจะไม่สนใจว่าใครเป็นยังไงแต่จะสนใจว่าเมื่อกี้นี้จิตมีราคะมันจะมีความรู้จักของจริงโทสะเป็นยังไงรู้จริงๆไม่ใช่รู้แต่คนไหนเป็นยังไง ราคาเป็นยังไงรู้ของจริงว่าราคาเป็นยังไงไม่รู้ว่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไงตรงนี้เป็นข้อมูลที่ไม่เคยมีกับจิตจิตไม่เคยรู้ข้อมูลอันนี้มาเลยทุกครั้งที่มีความรู้อันนี้ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสัญญาเก็บเอาไว้สัญญานี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญทุกครั้งที่รู้จักทุกครั้งที่รู้จักทุกครั้งที่เรารู้ทุกครั้งที่เรารู้จัก ว่าราคะเป็นยังไงโทสะเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นข้อมูลใหม่เช่นมีราคะรู้ทันว่ามีราคะเนี่ยราคะเป็นยังไงมันเริ่มรู้ของจริงแล้วเนี่ยนะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นของจริงจะเรียกว่าอะไรมันรู้จักครั้งแรกแล้วเนี่ยจิตตรงนี้เห็นหน้าเต็มสิริแล้วมีราคะจะเอาเห็นหน้าใครดีเต็มสิริเป็นโทสะไปแล้ว เห็นหน้าคุณสมานเห็นหน้าคุณสมานแล้วมีราคะเกิดขึ้นมาแล้วดับไปจิตอีกดวงหนึงเกิดขึ้นมายังไม่ทันมีอะไรแทรกรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เนี่ยมีราคะเกิดขึ้นมันไปรู้ราคะมันไม่ชรู้หน้าคนนู้นหน้าคนนี้มันรู้ราคะมันรู้จักว่าราคะเป็นยังไงแล้วก็ดับไอจิตดวงนี้ที่มีสติรู้ว่าราคะเป็นยังไงเนี่ยดับไปพร้อมๆกับบันทึก เหมือนกับจิตที่มีราคะมันดับไปก็บันทึกมีราคะดับไปบันทึกเป็นอนุสัยมีสติรู้ว่าราคะเป็นยังไงเนี่ยก็บันทึกเอาไว้ว่าราคะมันเป็นอย่างนี้เป็นสัญญาพอมีราคะเกิดขึ้นใหม่มันรู้ง่ายขึ้นพอมีราคะเกิดขึ้นใหม่รู้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเคยเห็นแล้วแต่เห็นครั้งเดียวเนี่ยนะตลอดสังสรารวัฏเพิ่งเห็นครั้งหนึ่งเนยนะยังจาไม่ได้เป็น เป็นข้อมูลนอนเอาไว้ก่อนเป็นข้อมูลเก็บเอาไว้ก่อนเห็นเห็นหน้าคนนั้นอีกเกิดราคะอีกเปลี่ยนหน้าแล้วนะเปลี่ยนหน้าจากสมานไปเห็นสมมุติว่าเห็นสายรุง้งเห็นสายรุ้งแล้วเกิดราคะเออมันคล้ายๆกับเมื่อตอนที่เห็นสมานเลยเห็นราคะเนี่ยลักษณะราคะมันเป็นอย่างนี้เริ่มเริ่มรู้จักราคะรู้จักลักษณะของมันว่าราคะไม่เหมือนโทสะ ตอนมีโทรศัมีลักษณะแบบหนึง่งคืออยากจะผลักใสไม่อยากอยู่ด้วยไม่อยากเห็นหน้าหน้ามยังอยู่ก็อยากจะปัดหน้ามันออกไปอะไรเงี้ยโทรศัเป็นแบบหนึง่งราคาก็เป็นอีกแบบหนึง่งเห็นแล้วอยากเห็นอีกติดใจดมแล้วอยากดมอีกดมไกลๆไม่ชอบอยากจะดมใกล้ๆไปอีกอย่างเงี้ยฟังแล้วอยากฟังอีกเปิดใหม่เปิดใหม่เปิดใหม่เปิดบ่อยซ้ําๆเซ็งเกิดโทรศัโทรศคือไม่อยากฟังแล้วราคากับโทรศัไม่เหมือนกัน เห็นลักษณะที่มันแตกต่างกันอย่างนี้เห็นลักษณะที่มันแตกต่างกันอย่างนี้นะเห็นราคะไม่เหมือนโทสะเห็นโทสะไม่เหมือนความเมื่อยลอยฟุ้งซ่านไม่เหมือนหดหูเห็นเห็นความแตกต่างของกิเลสต่างๆไม่เหมือนกันเริ่มจําได้พอมีราคะขึ้นมาเริ่มจําได้มีโทสะขึ้นมาเริ่มจําได้คราวคราวที่มันจะเป็นสติตัวจริงตัวแท้จะจะใช้ ประสบการณ์ที่เราเคยเห็นราคะบ้างเห็นโทสะบ้างเหล่านี้แหละที่จําจำเอาไว้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในขณะที่เราฝึกเจริญสติใหม่ๆต้องตั้งใจแงะดูต้องตั้งใจแงะ ด, ดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเหลียวดูนิดหนึ่งแงะดูหน่อยว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นตั้งใจหน่อยตั้งใจนะมันยังไม่ใช่สติตัวจริงที่จะเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานแท้ มันยังเป็นการตั้งใจดูแต่ต้องตั้งใจก่อนต้องตั้งใจก่อนหันไปดูว่าเมื่อกี้เกิด อ, อะไรขึ้นกับจิตหันไปดูว่าเมื่อกี้เกิด อ, อะไรขึ้นกับจิตแล้วพอมันเริ่มจำได้บ่อยๆมีสะสมข้อมูลใหม่บ่อยๆเริ่มจำได้เหมือนกับเหมือนกับเรารู้จักคนรรู้จักคนถ้านานๆเห็นหน้าทีหนึ่งเนี่ยจำไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้ไมไดสมมุติว่านานๆจะเห็น พอออกวุฒิทีนะนะเดือนหนึ่งจะเจอสักครั้งหนึ่งหรือปีหนึ่งจะเจอสักครั้งหนึ่งเนะี่ยบางทีก็จําหน้าไม่ค่อยได้บางทีเห็นหน้าพอจําได้นึกได้นึกชื่อไม่ออกแต่ถ้าคนไหนเห็นกันบ่อยๆยิ่งเห็นทุกวันเห็นทุกวันนะเดินมาแต่ไกลแล้วก็จําได้แล้วว่าเป็นใครเห็นเงาๆก็จําได้แล้วเป็นใครหันหลังให้แล้วยังรู้เลยว่าใครใช่ไหม หลับตาได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาก็รู้เลยว่าใครเคยได้ยินไหมว่าเคยได้ยินไหมคนเดินมาข้างหลังเนี่ยเราไม่เห็นหน้าโดยซ้ําไปแต่เรารู้ว่าใครเดินมาใครมีประสบการณ์นี้บ้างใครไม่มีประสบการณ์นี้บ้างโท <c oughs> รศัพท์ <c oughs> ให้ดัดเสียงมาก็รู้ว่าใคร <c oughs> รู้สึกไหม <c oughs> ให้มันดัดแปลงพยายามปกปิดตัวเองยังแค่ไหนก็รู้ว่าใครให้มัน คลุมโปงมานะแต่เดินท่าทางเงี้ยก็รู้ว่าใครเพราะว่ารู้จักดีเช่นเดียวกับกิเลสต่างๆถ้าเรารู้จักมันบ่อยๆแงะดูบ่อยๆแงะดูบ่อยนะมันจะสะสมเรียกว่าเป็นสัญญาจําได้พอสะสมมากๆจะเรียกอีกคำหนึ่งเรียกว่าธิระสัญญาเคยได้ยินคนนี้ไหมธิระสัญญาเป็นสัญญาที่ สเสถียนเป็นความจําที่เสะเทียนแล้วพอมีราคะเกิดขึ้นมาใหม่แม้ไม่ตั้งใจรู้ได้เลยถ้ามีทีระสัญญาในเรื่องของโทสะพอมีโทสะเกิดขึ้นใหม่แม้ไม่ตั้งใจโทสะเกิดขึ้นมาก็รู้ได้เลยคราวนี้ไม่ต้องออกแรงแงะตอนฝึกเนี่ต้องออกแรงแงะดูนะต้องออกแรงแงะดูว่าเมื่อกี้เกิด อ, อะไรขึ้นต้องตั้งใจต้องตั้งใจ รู้สักหน่อยว่าเมื่อกี้เกิดขึ้นเมื่อกี้เกิดขึ้นฝึกออกแรงฝึกหน่อยแต่พอมันมีทิระสัญญาขึ้นมาไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องออกแรงไม่ต้องเหลียวหนักๆแค่รู้แค่มันมีกิเลส ข, ขึ้นมานะและก็รู้ทันไม่ได้ตั้งใจอย่างเนี้ยจิตมันไหลไปเป็นอาการอีกแบบหนึ่งของจิต ไม่ใช่แค่มีกิเลสแต่มันมีการเคลื่อนของจิตตอนรู้ว่าจิตเคลื่อนเช่นว่ามีคนเดินมาแล้วเราก็จากจุดสนใจอันหนึ่งไปสนใจอีกอันหนึ่งมันมีการเคลื่อนของจิตถ้ารู้ทางตรงนี้นะรู้ทานว่ามีการเคลื่อนของจิตตอนเคลื่อนมันแสดงความไม่ตั้งมัน่นตอนเคลื่อนเน้ยนะมันแสดงความไม่ตั้งมัน่น พอรู้ความไม่ตั้งมั่นจิตขนาะนั้นตั้งมั่นพอดีตอนนี้เราจะเรียนสองเรื่องแล้วนะจะไหวไหมเนี่ยเรียนสติก่อนก็นแล้วกันเนาะจิตตั้งมั่นเอาไว้เอาไว้ให้พี่เลี้ยงแนะนำสักนิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาจจะพูดอีกทีตอนกลางคืนตอนนี้ให้ทุกคนฝึกตัวแงะฝึกแงะ แงะดูว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตแงะดู บ, บ่อยๆสิ่งนั้นมักจะไม่ดีไม่ต้องไปไปฏิเสธมันแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นพอรู้ปุ๊บสิ่งไม่ดีนั้นดับเองจริงๆนะถ้ารู้จริงนะและตัวสติเนี่ยจะเป็นเป็นกุศลที่มีอุปการะคุณตลอดเส้นทางอย่างที่หลวงพ่อบอกวันนี้ว่า ขณะที่เป็นกุศลทุกๆดวงจิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงจะต้องประกอบด้วยสติเสมอถ้าขาดสติไปแล้วไม่เป็นกุศลเลยสมาธิยังเป็นขณะที่เป็นกุศลบ้างหรือไม่เป็นกุศลก็ได้อาจจะเป็นขณะที่กําลังเลงขณะนั้นคือจะทําผิดศีลใช่ไหมย่อมเป็นอกุศลอยู่แล้วมีสมาธิต้องใช้สมาธินั้นสมาธิไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล พระเทวทัตก็เคยมีสมาธิทําฌานได้แต่ใช้ฌ า, านนั้นมาทํําทาบาปมาหลอกลวงมาล่อลวงพระเจ้าอาชาติศัตรูใช้กําลังสมาธิแปลงกายได้เพื่อมามาเสริมกิเลสตัวเองทําให้กิเลสตัวเองนั้นเป็นผลสําเร็จขึ้นม า, านสมาธิยังไม่แน่นอนตัวที่จะทําให้เราเดินทาง ตลอดเส้นทางของการปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกขตัวสําคัญเลยคือตัวสติรู้ตัวว่าเมื่อกี้นี้มีอะไรเกิดขึ้นกับจิตฝึกแงะนะสำหรับคนมาใหม่ฝึกแงะสําหรับคนมาบ่อยๆแล้วก็แงะบ่อยๆแงะให้มันจนรู้จักจริงๆว่ากิเลสตัวนี้คืออะไรกิเลสตัวนี้มีลักษณะยังไงเป็นอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอะไร ราคาเาระเป็นอย่างนี้โทสะเป็นอย่างนี้พอมันเกิดขึ้นมาอีกแม้ไม่ตั้งใจเง่คราวนี้รู้จักได้ตอนนั้นจะเกิดสมาธิตัวแท้สมาธิตัวแท้เนี่ยไม่ตั้งใจพอไม่ตั้งใจนะกลับกลายเป็นบุญมากกว่าแต่ตอนนี้ต้องทําบุญก่อนตั้งใจทําบุญก่อนนะตั้งใจทำกุศลตัวนี้ให้เต็มเต็มที่ก่อนให้รู้จักจริจรงๆว่าราคะเป็นยังไงโทสะเป็นยังไง ร, รู้จักบ่อยๆพอเข้าใจไหมมามาขยายความที่ หลวงพ่อได้พูดเมื่อเชา้านี้ท่านฝากให้เรามาเจริญสติรู้ทันสภาวะต่างๆสภาวะต่างๆที่ตอนรู้เนี่ยนะมันรู้ตัวสภาวะจริงๆไม่ใช่รู้ว่ามีมีตัวตนคือเราเพราะตอนรู้นั้นมันรู้สภาวะสภาวะจะแสดงเองว่าไม่มีเราแต่ตอนรู้ครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญญาตัวนี้เว้นแต่คนที่มีบา ร, รมีเก่ามาจริงๆ มีสติครั้งแรกๆก็จะรู้ได้ว่ามันไม่มีเรามันมีแต่ราคะเข้าใจตอนมีราคะเนี่ยมันมันไม่มีไม่ไม่มีอะไรจะบอกว่าเป็นเรามันมีแต่ราคะถ้ามีบารมีดีขึ้นมาอีกหน่อยนะจะเห็นราคะเนี่ยถูกรู้มีจิตเนี่ยรู้อยู่ราคะถูกรู้จิตรู้อยู่ราคะกับจิตเหมือนมันอยู่คนละคนละชั้นกัน ถ้าใครยังไม่เห็นตรงนั้นนะไม่ต้องกลัวดูไปก่อนราคะเป็นยังไงรู้ทันโทสะเป็นยังไงให้รู้ทันดูบ่อยๆเข้าจะเริ่มมีทักษะเริ่มมีทักษะราคะเหมือนสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้เหมือนไมโครโฟนถ้าเรามองดูไมโครโฟนถ้าลองมองดูไมโครโฟนไมโครโฟนถูกรู้จิตที่รู้ไมโครโฟนอีกอันหนึ่งนะรู้สิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ไอตัวรู้เรียกว่าจิต อันนี้ฟังไว้ก่อนใครที่ยังไม่เห็นตัวนี้นะฟังเอาไว้ก่อนสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่าอารมณ์ตัวที่รู้เรียกว่าจิตเวลาเรารู้ราคะราคะถูกรู้อยู่ราคะไม่ใช่จิตเวลารู้โทสะโทสะถูกรู้อยู่โทสะไม่ใช่จิตจิตเป็นสภาพรู้อย่างนี้นะถ้ามันยากไปก็แค่ว่าแงะดูแงะดูนี่ไม่น่าจะยากละเหลียวดูสักหน่อยว่าเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นกับจิต ฝืนฝืนความรู้สึกของคนทั่วไปสักนิดหนึ่งคนทั่วไปก็จะชอบจะดูดูคนอื่นเวลาเพื่อนบ้านคุยอะไรแล้วอยากจะฟังเวลาคนนั้นพูดเบาๆยิ่งเบายิ่งอยากฟังรู้สึกไหมถ้าอยากอยากจะให้ใครสนใจเรานะกระสิบกระิบกันสองคนเดี๋ยวจะมีแบบคนฝึกหูทิพ <laughs> หันมาดูหันมารู้จิตตัวเองนะเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี่เกิดอะไรขึ้น ส่วนถ้าดูกายดูได้เลยตรงๆมีอะไรสงสัยไหมพูดมาครบหนึ่งชั่วโมงถ้าไม่มีอะไรสงสัยนะเดี๋ยววันนี้คงจะมีการแนะนำตัวพี่เลี้ยงไหมเหรออ๋อทา<ำ>ทำเหมือนละครเลยนะ <c oughs> ไหนเลตติ้งดีนะยืดหน่อยใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวยืดให้อีกสิบห้านาที <c oughs> แลทานนิทานเรื่องนั้นนะอาจจะถึงครึ่งชั่วโมงนิทานเนี่ยนะอยาเข้าใจว่าเป็นเรื่องหลอกเด็กหรือหลอกผู้ใหญ่พอบอกท่านนิทานแล้วรู้สึกว่าเป็นเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องไม่จริงนิทานเนี่ยเป็นภาษาบาลีคําว่านิทานเนี่ยนะนิทานะนิทานนาง น, ะนิทานนะนิทา น, นะ น, ทานเป็นภาษาบาลีแปลว่าคําเริ่มต้น มีนิทานเป็นคำเริ่มต้นแล้วไปจบที่พุทธพจนี่นะมีนิทานเพื่อไปหาคำสอนมีนิทานเพื่อหาคำสอนทีนี้คนรุ่นหลังเวลาเล่านิทานก็เล่าจากเรื่องแต่งเล่าจากเรื่องแต่งท่านเป็นนิทานที่ดีก็จะมีคำสอนตอนท้ายนิทานเป็นเพียงคำเริ่มต้นและส่วนใหญ่เช่นพุทธพ์หลายเรื่องเลยหลายหลายหลายๆาคาถาเลยเนี่ย ก่อนจะมีคถานี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีเรื่องราวมันมีเรื่องราวมาคนนั้นไปทำนี้คนนี้ไปทำนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องราวต่างๆที่ก่อนจะมีคำสอนเนี่ยเรียกว่านิทานนิทานไม่ใช่เรื่องหลอกเด็กไม่ใช่เรื่องสมมุติแต่ว่ามันมีเรื่องอะไรมาจึงมีคำสอนนี้ขึ้นมาอย่างเช่นมีพระมีพระอยู่รูปหนึ่งเป็นพระอรหรันต์ แล้วก็หลานก็มาบวชมาบวชอยู่กับหลวงลุงเป็นลุงพระอาหารหันต์นี่เป็นลุงหลานมาบวชลุงนี่เป็นพระอาหารหันต์ก็มีลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์เยอะก็เลยอยู่วัดเดียวกันไม่ไหวกุฏิน้อยส่งไปอยู่อีกวัดหนึ่งหลานที่เป็นพระไปอยู่อีกวัดหนึ่งได้ราบรู้จักราบไหม ลาบในนี้ลอลิงสละอาพอสาเภาไม่ใช่ลาบไก่ลาบหมูนะได้ลาบลาบของพระคืออะไรก็คือจีวรได้ผ้าได้ผ้ามาสองผืนผ้าสองผืนเนี่ยสมัยนั้ น, นผ้าเป็นของหายากจึงได้เรียกว่าได้ได้ลาบสมัยก่อนไม่มีโรงงานนะไม่มีโรงงานทอผ้ า, า ก, การจะได้ผ้าสักผืนเป็นเรื่องยากท่านก็เลยตั้งใจ ในพรรษาเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาผ้าไปถวายหลวงลงุงจะเก็บไว้ผืนหนึ่งเพราะตัวเองก็ตงชต้องใช้เหมือนกันแต่จะเก็บผืนเลวผืนที่ไม่ดีเอาไว้เอาผืนที่ดีๆไปถวายพระที่เป็นพระอาหารหันต์และเป็นลุงตัวเองด้วยออกพรรษาปุ๊บ ก, ก็มาหาหลวงลงุลงขึ้นไปบนกุฏิด้วยความคุ้นเคยนะขึ้นไปอ้าวหลวงลุงไม่อยู่หลวงลุงไม่อยู่ก็ ทำหน้าที่ของลูกศิษย์ด้วยของหลานด้วยปัดกวาดดีไหมปัดกวาดกุฏิแต่งตั้งอาสนะน้าฉันนําใช้รอหลวงลุงพอได้เวลาหลวงลุงก็ อ, ออกมานี่หมดหลวงลุงนั่งกราบแล้วก็ถวายผ้าตอนนี้ทํากุศลไหมทำกุศล น, นตั้งแต่ปัดกวาดตั้งน้ําฉันนําใช้กราบพระอรหันต์ถวายผ้าหลวงลุงไม่รับ ลุงุงไม่รับบอกเอาไปเถอะเอาไปใช้เถอะเรามีเยอะแล้วพระก็ผมตั้งใจมาตลอดพรรษาแล้วครับขอหลวงลุงรับเถอะครับผ้าผืนนี้ผมตั้งใจได้มานะอยากจะมาถวายหลวงลุงหลวงลุก็ยืนยันเป็นครั้งที่2ว่าเอาไปเถอะเรามีเยอะแล้วยืนยันอีกเป็นครั้งที่สตั้งใจจริงๆว่าจะขอถวายกับหลวงลุงหวังบุญ ถวายลงลงุลงอีกหลวงลุงก็ยืนยันอีกว่าเรามีเยอะแล้ว<ม>เรามีเยอะแล้วเอาไปใช้ใเถอะเรามีเยอะแล้วถ้าเป็นเราเรารู้สึกไงถ้าเราเป็นพระที่ถวายผ้าเราสึกไงน้อยใจน้อยใจน้อยใจว่าโอ้โหเราตั้งใจจะทำบุญแต่เนื้อนาบุญปฏิเสธเนื้อนาบุญปฏิเสธเราจะไม่ได้บุญเราเนี่ยนะถ้า น, นับ ทางสายเลือดก็เป็นหลานแท้ๆถ้านับทางพระก็บวชกับท่านท่านเป็นอุปชาเป็นอุปชาด้วยนะหลวงลุงนีเป็นอุปชามาบวชกับหลวงลุงนับทางพระก็เป็นลูกศิษย์สายตรงนับทางคาวาะก็เป็นหลานโดยสายเลือดหลวงลุงยังไม่ให้ความสําคัญเราเลยไม่เห็นความสําคัญเราเลยเราอยากจะถวายผ้าหลวงลุงไม่รับน้อยใจ สงสัยว่าเราจะไม่มีบุญวาสนาที่จะเป็นพระต่อไปหลวงลุงจึงไม่เห็นคุณค่าเราเลยเราคงไม่อยู่ในสายตาของหลวงลุ ง, ลงน้อยใจเวลาคนน้อยใจคิดมากใช่ไหมคิดมากคิดปรุงแต่งเราคงไม่มีบุญวาสนาที่จะอยู่ต่อเป็นพระงั้นเราควรจะสึกคงเอาดีไม่ได้ทางพระและ้วควรจะสึกขณะนี้กำลังคิดฟุ้งซ่านก็ไม่รู้ ควจะสึกสึกไปสึกภัยเนี่ยก็ต้องไปตั้งตัวเพราะเป็นคนปกติแล้วก็คงไปบินสบายคงไม่มีใครให้ข้าวให้น้ำเนต้องไปหากินเองก็ต้องไปตั้งตัวจะเอาอะไรเป็นทุนตั้งต้นก็นึกถึงผ้าสองผืน<ม>เป็นเป็นของมีค่าที่มีอยู่ในมือขณะนั้นที่หลวงลุงไม่ยอมรับนี่แหละเอาผ้าผืนนี้ไปขายผ้าตอนนั้นแพง ไปขายลงทุนเจ้าเงินลงทุนอะไร ด, ดีอย่าคิดว่าขายผ้าแล้วเอาลงทุนอะไรดีดใส่มาเน้นนะพระองค์นั้น น, ะออ น, นนะคิดได้แค่ว่าเอาผ้าไปขายแล้วนะจะไปซื้อแพะมาสักตัวหนึ่งรู้จักแพะไหมแพะนะเมืองไทยไม่ค่อยเลี้ยงแพะเนาะแต่อินเดียจะเลี้ยงแพะเยอะทำไมต้งเลี้ยงแพะทำไมต้องซื้อแพะ เพราะว่าแพะเนี่ยต้องแพะตัวเมียด้วยนะแพะตัวผู้ไม่เอาเอาแพะตัวเมียเพราะว่ามันออกลูกได้ออกลูกออกลูกแล้วก็ระหว่างที่ได้ลูกมาก็เอาลูกไปขาย เ, าเก็บแม่ไว้รีบนมได้ลูกอีกเอาไปขายอีกทำอย่างนี้เรื่อยเื่แพะออกลูกดกพอได้ได้เงินจากการขายแพะบ้างจากการขายนมบ้างคราวนี้ชักเริ่มมี มีตังเก็บมีตังเก็บแล้วเนี่ยชีวิตของคารวาจะสมบูรณ์ได้ต้องมีครอบครัวก็ต้องไปขอผู้หญิงมาสักคนหนึ่งหน้าตาอา่อยเลือกทีหลังขอให้ได้สักคนเมือนก่อนนะทีนี้ได้เมียแล้วจะให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นก็ต้องมีลูกแล้วก็ไม่ยากมีเมียก็มีลูกไม่ยากลูกออกมาน่ารักน่ารักเหมือนพ่อเลยแต่เมียเป็นยังไงไม่รู้เหมือนพ่อเลย นี้ลูกมาน่ารักงั้นก็อยากจะเอาลูกนี่มาอดลงุลงลุงเอาลูกชวนลูกจริ ง, รงชวนลูกไม่ได้ต้องชวนเมียเพราะลูกยังเดินไม่ได้ชวนเมียเมียไปด้วยกันไปหาลงุงลุงไปอดลงุงลุงไหนวะเนี่ยชีวิตาาคาววะของผมเนี่ยจเจริญเติบโตมาอย่างนี้แล้วนะรู้สึกมั่นคงแล้วมีเมีย ม, มีลูกแล้วนั่งรถสมัยนั้นไม่มีรถยนต์ก็นั่งเกวียนนั่งเกวียนนั่งเกวียนยไป ให้เมียอุ้มลูกตัวเองเ็าเรียกอะไรถือบังเหียนเมียก็เป็นแม่มือใหม่เพราะว่าเพิ่งมีลูกคนแรกอุ้มลูกก็ดูเ ก, ก้ะก๊กังกังก็เลยบอกหันไปบอกเมียบอกว่าอุ้มดีๆหน่อยอุ้มดีๆหน่อยเมียก็อุ้มได้แค่นั้นอุ้มดีได้แค่นั้นอุ้มดีได้แค่นั้นแล้วก็เมียก็อะไรสนใจเรื่องข้างทาง สนใจเรื่องข้างทางถ้าไปสมัยนี้ก็อุ้มเด็กไปด้วยจิ้ม iPad ไปด้วยเป็นงั้นไหมไอผัวก็ชักลำคาญบอกนี่สนใจหน่อยสิอย่าไปเจมเออรลอยอุ้มลูกดีเดียวเด็กเดี๋ยวลูกเราดิ้นตกเกวียนไปเออแกก็ขับเกวียนไปเถอะ ไม่ต้องมาสนใจชัน้นอุ้มขันนี่แหละวันนี้เดี๋ยวฉั้นจะอุ้มให้ดูเราอุ้มเด็กก็อุ้มอย่างนี้ฉันเคยเห็นแม่อุ้มเดี๋ยวชันจะอุ้มให้ดูแกขับเกวนไปทะเลาะ ก, กันระหว่างผัวก็มีทะเลาะ ก, กันเรื่องการอุ้มลูกทะเลาะไปทะเลาะมาแย่งลูกไปแย่งลูกมาลูกหลุดมือลูกหลุดมือตกตกเกวียนที่ตกนี่คือลูกตกนะลูกเกวียนตกไปพอดีล้อไปทับพอดีเลย ตายไหมตายต้องตายเด็กใหม่ๆเลยตกไม่ต้องทับก็ตายแล้วนี่ก็ล อ, อกเวียนทับอีกพอลูกตายคราวนี้หยุดหยุดเวียนกรอดกรอดเมียคว้าประตักรู้จักประตักไหมนัรสวรรค์ยังมีอยู่ประตักคือไอ้ไม้ที่ปลายมีเหล็กแหลมๆเวลาบัวควายหรือว่ามาอะไรเนี่ยนะที่เป็นพาณนะเนี่ย อยากจะให้มันไปไปเร็วขึ้นก็จิ้มให้มันเจ็บๆมันก็จะไปเร่งฝีเท้าขว้าปะตักแต่ไม่ได้จิ้มเมียนะจะมาตีเมียตีปุ๊บไอตอนตีเนี่ยตอนนี้อยู่ในความคิดนะพอเริ่มตีเมียเนี่ยนะมือที่ถือพัดกำลงกังโบกหลงลุงอยู่เนี่ยฟาดไปที่หัวหลวงลุงพอดีเลย หลุงๆก็คำหัวแล้วก็พูดขึ้นมาว่าทะเลาะกับเมียแล้วพระแก่ๆไปยุ่งอะไรด้วยพระเลยตกใจซ้ำสองทีแรกเนี่ยตกใจว่าโอ้ยจะเราเผลอคิดฟุ้งซ่านไปแล้วตีหัวอุปชาแล้วเป็นหลวงลุงด้วยแถมท่านตอบกลับมาแสดงว่าท่านรู้ว่า ตลอดเวลาคิดไปเนี่ยท่านรู้หมดเลยว่าเราคิดฟุ้งซ่านอะไรไปก็เลยตกใจอยู่ไม่ได้มีความผิดมากเลยนะทั้งผิดทั้งอายทั้งผิดทั้งอายทั้งกลัวทั้งกลัวทั้งอายก็เลยทิ้งปะตักเอ๊ไม่ใช่ปะตักทิ้งพัดทิ้งพัดแล้วก็วิ่งหนีลูกศิษย์ต่างๆที่อยู่ใต้ถุนกุฏิท่านแสดงว่ากุฏิสองชั้นนะ ลูกศิษยต่างๆที่อยู่ใต้ถุนเนี่ยพอเห็นพระหลานวิ่งลงกระไดไปเนี่ยนะแสดงว่าเกิดเรื่องไม่ดีมันดิเมื่อกี้ได้ยินเสียงโป๊กหนึ่งอยู่โป๊กหนึ่เกิดอะไรขึ้นอ้าวพระองค์นี้วิ่งลงมาแสดงว่าเกิดเรื่องอะไรไม่ดีวิ่งไล่าตามพระพระไล่จับพระเคยเห็นไหมพระวิ่งไล่จับพระพระวิ่งไล่จับพระปรากฏว่าวิ่งได้จับมาได้จับมาหาหลวงลุงลง ล, งลุงก็บอกว่า ความผิดอันนี้นะเราตัดสินไม่ได้ต้องจับไปส่งพระพุทธเจ้าพระหลานชายทไมเรื่องมันใหญ่ขนาด น, นั้นเชียวโอ้ไปถึงพระพุทธเจ้าเฉลยตกใจตกใจนะพอจับไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าเห็นแล้วว่าตกใจเห็นแล้วว่าพระหลานชายเนี่ยตกใจมาพระหลานชายของพระอรหันต์องค์นั้นนะ กำลังตกใจมากาลังแบบใจเสียมากเลยเนะี่ยท่านก็ด้วยความการุณาของท่านนะมหาการุณาของท่านแทนที่จะแบบไล่จี้เอาทำโทษซะทีเดียวเลยเนี่ยนะท่านก็พูดปล่เป ล, ย, ปลยขึ้นมาเป็นยังไงพระจับพระมาเรอรพูดให้แบบคล้ายๆกับว่าปลอบใจพูดให้แบบ จิตใจที่มันแบบกาลังฝ่หอห่อเหี่ยวเนะีนั้นรู้สึกว่าอ้อท่านก็ไม่ได้ดุอะไรมากนะเลยนะเป็นยังไงพระจับพระมาเหรอพระเจ้าข้าพระจับพระมาพระเจ้าข้าเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงเรื่องเป็นอะไรเป็นยังไงมายังไงจึ ง, จ, งจึงต้องจับกันมาอย่างนี้นะก็รายงานให้ฟังแทนที่ท่านจะดุอนะไรเนียพระมหากรุณาของพุทธเจ้านะแทนที่ท่านจะดุนะเห็นว่าฝ่อฝออยู่เนี่ยนะ ทานก็บอกธรรมดาธรรมดาคํานี้ศักดิ์สิสทธิ์มากนะธรรมดาธรรมดาจิตเป็นอย่างนี้แหละอืจิตเป็นอย่างนี้แหล ะ, จ, หละจิตเนี่ยมันเที่ยวไปไกลมันแล่นไปไกลแล้วไปทีละขณะมีคําบาลีด้วยนะ นี่ระดับครูบ า, าจารย์เดี๋ยวจะบอกคําบาลีไว้หน่อยท่านบอกเป็นภาษาบาลีเป็นคาถานะเนี่ยนิทานเล่ามาตลอดไปเนี่ยเพื่อมาตรงคาถานี่แหละบอกแล้วสิบห้านาทีไม่พอหรอกนิทานคือคําเริ่มต้นที่เรื่องลุงเรื่องหลานบวชตีหัวกันเนี่ยเป็นนิทานเป็นคําเริ่มต้นเพื่อมาสู่จุดที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้ากล่าวเป็นคาถาขึ้นมาเป็นภาษาบาลี กล่าวมาว่าทูรังขมังยังไม่ต้องแปลนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปลให้ฟังจริงทูรังขมังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังอันนี้สี่คำนี้เนี่ยแสดงถึงลักษณะของจิตลองฟังคำแปลนะทูรังขมังทูระแปลว่าไกลภาษาไทยจะใช้ควาว่าโทระ โทรค ม, มานาคมโทรเลขโทรศัพท์โทรทัศน์เนี่ยทูระคมะคมาแปลว่าไปคมะในปลปายแป ล, ว, ปลว่าไปมันตรงข้ามกับคําว่าคำ <laughs> คําในภาษาอังกฤษเนี่ยมาใช่ไหมคำคำข้ามอ่อนอย่างเงี้ยนะ <laughs> แต่ถ้าเป็นภาษาบาลีคำไป <laughs> มันมือมไปคนละแบบนะคําบาลีนี่ไปอย่างนี้ <laughs> ถ้าคําภาษาอังกฤษมาอย่างงี้ ทูรังขงมังแปลว่าไปไกลจิตเนี่ยไปไกลไกลไหมไกลคิดถึงสวนลุมได้ไหมตอนนี้คิดถึงสวนลุมไปได้คิงถึงสวนลุมใช่ไหมคิดถึงนครสวรรค์ได้ไหมไปได้คิดถึงอเมริกาได้ไหมคิดถึงใครเมียรู้จักใครเมียไหมไม่ใช่เมียใครนะใ <laughs> ครเมียรู้จักใครเมียไหมยูเครนรู้จักยูเครนไหม ใครดูข่าวฟังข่าวอยู่เคลนเป็นยังไงคิดถึงไปได้เลยรู้จักดวงอาทิตย์ไหมคิดถึงดวงอาทิตย์ได้ไหมคิดถึงดวงจันทร์ได้ไหมพลูโตรู้จักรู้จักพลูโตไหมคิดถึงปุ๊บไปได้เลยไปไกลไปไกลจิตเนี่ยไปไกลทูรังขมังเอกะจะรังแต่ไปทีละขณะเอกะไปว่าหนึ่งจระแล่นไปแล่นไปทีละขณะ ไม่ใช่จิตดวงเดียวแล้วว like so so you ิ่งไปนะไม่ใช่เอาจิตดวงนี้วิ่งไปดวงอาทิตย์ไม่ใช่เอาจิตดวงนี้วิ่งไปดวงจันทร์มันดับตรงนี้แล้วไปเกิดตรงนู้นดับตรงนี้แล้วไปเกิดตรงนู้นถ้าคิดถึงสวนลุมดับตรงนี้แล้วไปเกิดสวนลุมคิดถึงนครสวรรค์ดับตรงนี้แล้วไปเกิดนครสวรรค์คิดถึงบ้านดับตรงนี้แล้วไปเกิดเป็นจิงจกที่บ้านอะไรเงี้ยสมมติตายตอนนี้นะมันเกิดเกิดดับดับจิตมันไม่ใช่ มันเกิดดับเกิดดับเกิดตรงนี้แล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับอย่างนี้นะเกิดตรงนี้แล้วก็ดับแ้ไปเกิดตรงนน้นแล้วก็ดับเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับถ้าดูอยู่ก็เกิดที่ตามาฟังก็เกิดที่หูมาดมก็เกิดที่จมูกมันเกิดไม่ได้เกิดตรงนี้เด้ยนะมันไปเกิดที่จุดที่เราสนใจเช่นกาลังดูอะไรอยู่มันไม่ได้เกิดที่ตานี่นะ เช่นโยมกลังดูอยู่ดูพระอยู่เนี่ยนะมันไม่ได้เกิดที่ตาโยมแต่แต่อสายตาเป็นช่องมารู้ที่พระนี่เข้าใจไหมอาศัยหูเป็นช่องเพื่อไปรับรู้เสียงอาศายจมูกเป็นช่องเพื่อไปรับรู้กลิ่นตอนนี้รู้กลิ่นใครไหมกลิ่นคนข้างๆมีกลิ่นไหม <laughs> ถ้ารับรู้กลิ่นก็คื อ, คอ รู้ว่าโลกนี้มีกลิ่นอะไรบ้างอาศัยช่องนี้รับรู้รสอาศัยลิ้นแต่สิ่งที่เราจะรับรู้ได้ไกลๆก็คือไปทางตาบ้างไปทางหูบ้างและที่บ่อยสุดเลยคือไปทางใจไปทางช่องนี้แต่มันไปทีละขนะเกิดดับเกิดดับทีละขนะทูรังขะมังไปไกลเอกจรังไปทีละขนะเกิดดับเกิดดับทีละขนะอสรีรังแปลว่าไม่มีไม่มีไม่มีร่างจิตไม่มีร่าง ถ้าร่างนี่คือเป็นเป็นก้อนรูปธรรมนี้เป็นกายเป็นรูปธรรมนี้แต่จิตไม่มีร่างแต่อาศัยกายนี้มาอยู่ในคำที่ 4, สีคูหาสยังคูหาสยังคุหาไปว่าถ้ำนะคูหาสยังสยังก็คืออาศัยอาศัยอยู่ในถ้ำอาศัยถ้ำอยู่กายนี้เปรียบเหมือนเป็นถ้ำ จิตที่ไม่มีรูปร่างเนี่ยอาศัยกายนี้อยู่เพราะนั้นเวลาเวลาเราจะมาศึกษาเรื่องจิตไม่ใช่ไปศึกษาแบบลอยๆท่านเลยให้มีที่อยู่ของจิตไว้ก่อนที่อยู่ของจิตเนี่ยง่ายๆก็คือใช้กายนี้เป็นที่อยู่ซึ่งเป็นเป็นที่อยู่ของมันอยู่แล้วโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติเนี่ยกายเป็นที่อยู่ของจิตอยู่แล้วเวลาเราจะเริ่มเรียนรู้ว่าจิต มันเป็นยังไงก็ให้จิตนี่มีที่อยู่สักหน่อยก่อนเช่นมาดูว่ากายนี้หายใจอยู่กายนี้หายใจอยู่เวลามันเผลอคือลืมกายจะได้รู้ทันว่าจิตเมื่อกี้มันเผลอไปเพราะว่าเราให้มันรู้กายแล้วเนี่ยหน้าที่ของจิตขณะ น, นี้ตอนนี้ควรจะรู้กายแต่ดันเผลอพอมันเผลอไปให้รู้ทันว่าเผลอเพราะว่าตอนเผลอนั้นไม่รู้กาย ให้กายเนี่ยเป็นประโยชน์สักหน่อยถึงว่าให้มันเป็นที่อยู่นะพอมันออกจากที่อยู่ไปให้รู้ทันมันจะได้รู้ว่าจิตมันเป็นอย่างนี้จริงๆเผลอไปแล้วไม่รู้เผลอไปรู้รู้เรื่องข้างนอกแล้วก็โกรธบ้างโลภ บ, บ้างรักบ้างฟุ้งซ่านไปบ้างหดหูบ้างรู้ทันว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตโดยอาศัยว่ามีกายถ้ารู้แล้วแล้วปล่อยลอยต่อไปนะจะไม่รู้ต่อให้กลับมา กลับมาที่ถ้ำนี้กลับมาที่ถ้าตามตามคาถานี้ก็คือกลับมาถ้ำนี้คู่หาสยังกลับมาถ้ำต่ออาศัยกายนี้เป็นถ้ำก็กลับมาที่ถ้ำนี้ต่อแล้วพอมันออกจากถ้ำไปให้รู้ทันออกไปที่ไหนออกไปแล้วเกิดกิเลสอะไรรู้ทันกิเลสก็ได้ถ้าดีจริงกว่านั้นรู้ทันตั้งแต่มันแล่นออกไปมันมีการแล่นด้วยนะมีการไหลออกไปจะใช้คาว่าอะไรเคลื่อนแล่นไหล ได้หลายคำนะจิตมันออกจากถ้านี้ด้วยลักษณะแบบไหนก็ว่าไปตามนั้นแหละมันไม่ได้อยู่ตรงนี้จริงๆนะมันก็จะไหลออกไปเพราะว่าจิตเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ชอบคิดมากเจ้าปัญญาเนี่ยนะมันจะไม่ยอมอยู่ที่ใดที่หนึ่งนิ่งๆ น, นานๆเบื้องหลังก็คือว่ามันมันอยากจะไปหาความสุขมันคิดว่าจะต้องรู้เรื่องต่างๆจึงจะสนอง ความต้องการของตัวเองได้ดีคิดว่าจะต้องรู้อย่างเรื่องอื่นๆมากๆจึงจะฉลาดรู้แต่กายอย่างเดียวไม่ฉลาดรู้สึกว่านิ่งๆโง่งๆมันอยากจะออกไปรู้ๆๆนู่นรู้นี่หรือรู้แล้วมีความสุขคิดแล้วมันรู้สึกไหมเวลาตอนคิดแล้วแบบเลิกไม่ได้มันมันมันในอารมณ์คิดแล้วไม่อยากเลิกถ้าอยู่กับกายเนี่ยเหมือนไม่มันต้องออกไปคิดตอนที่ออกไปเนี่ยถ้ารู้ทันตอนออกเรียกว่าได้ทั้งสติและได้ทั้งสมาธิแต่ถ้าไม่รู้ตรงนี้ ออกไปแล้วเกิดกิเลสอะไรให้รู้ทันกิเลสอนนั้นรู้แล้วอย่าปล่อยลอยกลับมากลับมาที่คูหานี่คือถ้ำนี้จำได้ไหมเล่านิทานมาเพื่อมาถึงถึงคาถาของพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้างทูรังขมังถ้าเกิดท่องภาษาบาลีได้เนี่ยนะมันจะมันจะทำให้เราแม่นและไม่พลาด แต่ถ้าท่องเฉพาะภาษาไทยเนี่ยบางทีมันเพี้ยนมันเพี้ยนเพราะมันมีการแปลแล้วนะมันอาจจะเพี้ยนแต่ถ้าจำภาษาบาลีเนี่ยมันจะจาแม่นครูบาอาจารย์โยนจะเป็นครูบาอาจารย์ที่จะไปบอกต่อ น, นะถ้าจำภาษ า, าบาลีได้เนี่ยน่าจะมีประโยชน์ลักษณะของจิตนะท่านสอนพระที่ฟูงซานบอกว่าไม่เป็นไรจิตเป็นอย่างนี้แหละจิตมันเป็นยังไงจิตมันทูรังขมัง เอกาจรังอสรีรังคุหาสยังลักษณะของจิตเป็นอย่างนี้และยังมีต่อเยจิตตังสั ญ, ญเมสันติโมคันติมารพันธนาอันนี้ยากแล้วเนาะเย <laughs> จิตตังสั ญ, ญเมสันติถ้ารู้อย่างนี้แล้วพึงสำรวมจิตพึงสำรวมจิตถ้าสำรวมจิตก็คือหันมาดูมาแงะดูนะ สัมพมจิตก็คือแงะดูสักหน่อยว่าจิตเมื่อกี้นี้เป็นยังไงจิตเมื่อกี้นี้เป็นยังไงอย่าไปส่งแสสายไปข้างนอกอย่างเดียวสัมพรมคือหันมาดูจิตสักหน่อยว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับจิตจิตเมื่อกี้เป็นยังไงอย่างเรียกว่ามีความสมัมพรมสัมพรมในจิตถ้าทําอย่างนี้นะมันจะส่งผลให้คําสุดท้ายโมกขันติมารพันธนามารพันธนามาระคือมานพันธนะก็คือ บ่วงหรือ ก, การผูกมัดเราเนี่ยถูกผูกมัดโดยมารถูกผูกถูกผูกมัดโดยมารทําให้ไม่หลุดพ้นไปสักทีที่มันถูกผูกมัดอยู่เนี่ยมันแสดงหรือว่าเราต้องเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเป็ยนตายยังต้องทุกข์อยู่เนี่ยนะเราจะหลุดพ้นจากนี้ไปได้หลุดได้ด้วยเพียงแค่สํารวมจิตเรียนรู้ว่าจิตมีลักษณะอย่างนี้มีสี่อย่างลักษณะของจิตทูรังกขัง เอกจารังอสรีรังคุหาสยังพอท่านสํารวมอย่างนี้ได้จะพ้นจากบ่วงของมารโมกขันติโมกขันติคือพ้นโมกสะโมกขัดสวนโมกโมกขะเนี่ยก็คือความหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรจากบ่วงของมารพระพุทธเจ้าสอนถึงตรงนี้พระฟุ้งซ่านองค์นั้นที่เพิ่งตีหัวพระอุชาหรือหลวงลุงไปเนี่ยนะทำตามได้รู้ทันตามที่พระพุทธเจ้าสอน รู้ตามเป๊ะไปเลยท่านบอกว่าจิตแล่นไปไกลก็รู้ทันว่าจิตแล่นไปไกลจิตเกิดดับทีละขนาดก็รู้ทันว่าจิตเกิดดับทีละขนาดรู้ทันอย่างนี้เลยนะรู้พระสมัยก่อนท่านก็คงสร้างบารมีมาเคยทํามาก่อนแล้วพอพระเจ้าแนะต่ออีกหน่อยหนึ่งนะว่าจิตมันไม่เป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นายจิตเป็นอย่างนี้แหละจิตเกิดดับแล่นไปไกลหันมาดูจิตสิหันมาดูจิตสิแล้วจะพ้นบ่วงของหมาดท่านก็พ้นจริงๆ เป็นพระโสะดาบันจบคาถาตรงนั้นนะท่านเป็นพระโสะดาบันเลยจากพระฟุง้งซ่านจากพระฟุ้งซ่านนะเรียนรู้ว่าจิตเป็นอย่างนั้นจิตแล่นไปไกลเกิดดับที่ละขณะไม่มีรูปร่างอะไรแต่อาสายกายนี้อยู่ใครฟุ้งซ่านบ้างใครฟุ้งซ่านเป็นบ้าง <laughs> แค่เรียนรู้อย่างนี้นะแต่โยมไม่ต้องมาตีหัวประชานะไม่ต้องเรียนแบบทุกอย่างท่านทําอย่างนี้จึงบรรลุไปเรียนแบบตอนตีไม่เรียนแบบตอนที่มาดูจิตนะใช้ไม่ได้นะนี่คือวิธีดูจิตที่พระเจ้าสอนพระฟุ้งซ่านองคหนึ่งได้ผลด้วยสอนทีเดียวได้เป็นพระโสดาบัน่นโยมอาจจะไม่ถึงเป็นพระสวสดิบัลทันทีตอนนี้ แต่อาศัยแนวทางที่ท่านสอนพระฟุ้งซ่านเราเองก็เคยฟุ้งซ่านดูทันความฟุ้งซ่านของจิตจิตเกิดดับทีละขณะนะไม่ใช่จิตฝึกไม่ได้นะฝึกได้ขอให้เพียงรู้ว่าจิตมันเป็นอย่างนี้แหละเกิดดับแล้วไม่ต้องไปตีโพยตีพายไปทําร้ายจิตไปทำร้ายตัวเองต่อนะทําไมไมันต้องฟุ้งซ่านด้วยจิตนี้ไม่ได้เรื่องเลยฉันไม่ได้เรื่องเลยฉําสายฉันจะไม่มี บุญวาสนาที่จะมาปฏิบัติอันนี้คิดแบบน้อยใจให้รู้ทันความน้อยใจที่เกิดขึ้นคิดแล้วหดหูให้รู้ทันความหดหูที่เกิดขึ้นคิดแล้วขี้เกียจเคยขี้เกียจไหมขี้เกียจปฏิบัติเป็นนะให้รู้ทันขี้เกียจเนี่ยนะมันอยู่ในหมวดของหดหูเพราะขี้เกียจที่ไทั้งหมดแรงใช่ไหมไม่ทําต่อพอได้ไหมพอพอมีกําลังใจที่ว่าจะต้องทำไหมเห็นความสําคัญนะถ้าไม่ทํานะ จิตขณะนั้นกำลังจะเตรียมที่จะสะสมอนุสัยถ้าเริ่มคิดว่าต้องทำได้มีตัวอย่างแล้วด้วยสมัยก่อนเนี่ยพระฟุงาหานพึ่งตีหัวประชาไปเนี่ยนะยังบรรลุเป็นพระโสดาบันได้เพียงแค่ตามดูจิตที่ตามแนวทางที่พระเจ้าแนเอาไว้เราน่าจะพอมีบุญที่จะฝึกได้นะ คงไม่ไม่ใช่เหลือเหลือฝึกเหลือฝืนขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำนะแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรคราวนี้ถึงคราวพี่เลี้ยงละรับช่วงต่อไปนีบายต่อ